วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่29มีนาคมพุทธศักราชสอง9้าเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมผู้ปร า, ารถนาลถแห่งธรรมคือลถแห่งวิมุติ การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและมาปฏิบัติคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดวิมุตติคือการหลุดพ้น จากความทุกข์ต่างๆหัวข้อธรรมในวันนี้ที่จะเอามาแสดงให้ท่านได้ฟังก็คือเรื่องที่พึ่งทางใจการที่ใจจะอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ต่างๆจาเป็นที่จะต้องมีที่พึ่งทางใจ ที่พึ่งทางใจนี้มีองค์ประกอบอยู่สององค์ประกอบด้วยกันองค์แรกคือพระรัตะนใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งของใจองค์ประกอบอันที่สองคืออัตตาหิอัตโนนาทถตนเป็นที่พึ่งของตน ทั้งสองอย่างนี้เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดมีที่พึ่งทางใจขึ้นมาที่จะทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงถ้ามีที่พึ่งทางใจสมบูรณ์ใจก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปการที่จะทำให้ที่พึ่งทางใจ ปรากฏขึ้นมาได้ก็จำเป็นที่จะต้องสร้างองค์ประกอบสององค์นี้คือพระรัตนใจและอัตตาหิอัตนโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนพระรัตนใยนี้ไปทาหน้าที่อย่างหนึ่งเป็นที่พึ่งอย่างหนึ่งอัตตาหิอัตนโนนาโถก็เป็นที่พึ่งอีกอย่างหนึ่ง ทำหน้าที่ต่างกันแต่จาเป็นที่จะต้องมีทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันจึงจะทำให้เกิดที่พึ่งทางใจขึ้นมาได้พระรัตนใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ <c oughs> ที่เราถือเป็นสารณะ <c oughs> เป็นที่พึ่งของใจมีหน้าที่ให้ความรู้กับใจ ให้รู้วิธีของการกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปนี่คือหน้าที่ของพระรันตนใจของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระธรรมคำสั่งคำสอนก็ดีของพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีท่านมีหน้าที่สั่งสอนวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ไม่มีที่พึ่งอันใดในโลกนี้ไม่มีครูบาอาจารย์ที่ใดในโลกนี้น้องเหนือจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะสามารถสั่งสอนให้ผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ถ้าไปเรียนตามสถาบันการศึกษาต่างๆในโลกนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันอันดับหนึ่งของโลกก็ตามจะไม่รู้จากวิธีกำจัดความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปได้มีสถาบันเดียวเท่านั้นก็คือพระพุทธศาสนาของเรานี้ที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ให้ความรู้ แก่ผู้ที่สนใจแก่ผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้รู้วิธีของการดับความทุกข์ว่าจะต้องทาอย่างไรบ้างานี่คือหน้าที่ของบะรัตนาใจเป็นครูเป็นอาจารย์พระพุทธเจ้าเป็นพระบร ม, มศาสดาเป็นศาสดาเอกของโลกบร ม, มศาสดามว่า ศา ส, สดาเอกของโลกเพราะท่านเป็นทั้งสัต t าเทวมนุษย์สานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ใช่แต่เป็นแค่ครูของมนุษย์อย่างพวกเราเท่านั้นท่านยังเป็นครูของเทวดาทั้งหลายด้วยในสมัยที่พระเจ้าทรงมีชีวิตอยู่นี่จะทรงแสดงธรรมโปรดเทวดาเกือบทุกคืนเลย หรือเป็นหน้าที่ประจำของพระพุทธเจ้าที่จะแสดงธรรมโปรดเทวดาในยามค่ำคืนในยามดึกได้ทรงโปรดพุทธมารดาที่หลังจากประสูติเจ้าชายสิทธัตถะได้เจ็ดวันก็เสด็จสวรรคตไปเกิดอยู่ในสวรรค์อพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้ว ก็มีความปรารถนาอย่างยิ่งที่อยากจะโปรดพุทธมารดาให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างพ่อง mm hmm. ก็ส่งใช้ยานวิเศษที่พ่องทรงมีอยู่ในใจค้นหาพุทธมารดาจนได้พบในสวรรค์แล้วก็ได้โปรดแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาอยู่สามเดือนด้วยกันจนพุทธมารดา ได้สร้างที่พึ่งทางใจอันดับที่หนึ่งขึ้นมาก่อนคืออันดับพระโสดาบันได้เป็นพระอริยบุคคลการได้เป็นพระอริยบุคคลนี้เริ่มแสดงว่าเริ่มเริ่มรู้จักวิธีกําจัดความทุกข์ต่างๆแล้วพระโสดาบันก็กําจัดได้ส่วนหนึ่งแต่ยังไม่สามารถกําจัดทั้งหมดได้ แต่ก็จะสามารถก้าวหน้าเดินปฏิบัติต่อไปได้แล้วก็จะขึ้นสูงขั้นที่สองขั้นพระสกิดาคามีก็กําจัดความทุกข์ให้หมดไปได้เพิ่มขึ้นอีกแล้วจากขั้นที่สองก็ไปขั้นที่สามพระอนาคามีก็กําจัดความทุกข์ได้เพิ่มขึ้นอีกจนถึงขั้นที่สี่ขั้นพระอรหันต์พอถึงขั้นพระอรหันต์ก็สามารถกาจัดความทุกข์ ได้หมดสิ้นไปจากใจพระพุทธเจ้าทรงโปรดพุทธมารดาให้ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วหลังจากนั้นพุทธมารดาก็สามารถที่จะปฏิบัติเองได้โดยที่ไม่ต้องมีให้ใครมาสั่งมาสอ น, นต่อไปเพราะรู้ทางเดินแล้วรู้ทางสูง่พระนิพพานแล้วว่าเป็นอย่างไรต้องทำอย่างไรพระโสดาบันนี้คำว่าโสดา น, นี้แปลว่ากระแส โสดาบันนี้แปลว่าผู้ได้เข้าสู่กระแส<ม>กระแสนี้ก็เป็นเหมือนแม่น้ำลำธาร น, นี้เ<ม>ช่ น, ม น, ม น, มนแม่น้ำเจ้าพญาถ้าใครลองแม่น้ำเจ้าพญาลงแม่น้ำเจ้าพญาล่องตามน้ำแม่น้ำเจ้าพญาก็จะพาไปสู่อ่าวไทยฉ<ม>ันในผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสธรรมกระแสธรรมนี้ก็จะนำผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสธรรม ไปสู่พระนิพพานตามลำดับต่อไปผ่านขั้นที่สองขั้นพระสกิดาคามีขั้นที่สามพระอนาคามีขั้นที่สี่พระอนหาหันพอถึงขั้นพระอนหาหันขั้นที่สี่ก็จะถึงพระนิพพานที่ส่งสุดแห่งความทุกข์ทั้งปวงใครได้ไปถึงพระนิพพานแล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ร้อยเอร์เซ็นต แล้ว ก, การหลุดพ้นก็เป็นการหลุดพ้นแบบยั่งยืนถาวรไม่ใช่แบบชั่วคราวแต่เป็นแบบถาวร น, น, นี่คือความรู้ความฉลาดของพระบรมศ า, ศาสดาของพระพุทธเจ้าของพวกเราที่สามารถสอนให้มนุษย์นละเทวดาสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ พระพุทธเจ้าทรสงสอนให้มีผู้ปฏิบัติที่ได้ศึกษาจากพระองค์ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์เป็นจำนวนมากเพียงแต่ระยะเวลาเพียงเจ็ดเดือนแรกที่ได้ทรงประกาศพระาศาสนาก็มีอย่างน้อยพระอาหารหันต์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปได้ได้เป็นพระอาหารหันต์ อย่างน้อยก็หนึ่งพันสองรอห้าสิบลูกตามประวัติเพราะว่าในวันเพ็ญเดือนสามเจ็ดเดือนหลังจากที่ทรงประกาศพระธรรมคำสอนเป็นครั้งแรกในวันเพ็ญเดือนแปดก็ปรากฏมีพระอาหารหันต์หนึ่งพันสองรอยห้าสิบลูกด้วยกันที่ไปอยู่ตามทิศต่างๆได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยโดยไม่ได้นัดหมายกันมาเพราะว่า เป็นธรรมเนียมของนักบวชในสมัยโบราณถ้ามาถึงวันแผ่นเดือนสามนี้เป็นวันที่จะคืนกลับคืนสู่กับคืนสู่พระอาจารย์กลับคืนเข้าเฝ้าเข้าเคารพแสดงความเคารพแก่ครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสานวิชาการต่างๆให้แก่ลูกศิษย์พ อ, อถึงวันแผ่นเดือนสามนี้ก็จะเป็นธรรมเนียมประเพณี ของลูกศิษย์ลูกหาต่างๆก็จะเข้าหาครูบาอาจารย์ของตนพระอาหานต์หนึ่งันสองร้อยห้าสิบรูปนี้ก็ได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์จากการได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าลหลังจากที่ได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ขอพระพุทธเจ้าบวชเป็นพระภิกษุในบาลพระพุทธศาสนาหลังจากที่ได้บวชแล้วพระพุทธเจ้าก็สง บอกให้ให้ไปแยกทางกันไปคนละทิศคนละทางเพื่อ น, นำเอาธรรมมันเลิศอันประเสริฐนี้ไปเผยแพ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไป<ม>พอหลังจากนั้นเพียงแค่เวลาเจ็ดเดือน น, นจากเดือนเพ็วันเพ็งเดือนแปดจนถึงวันเพ็งเดือนสามนี่ก็มีอย่างน้อยพระอราหานหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบลูก ที่อยู่ตามสารทิตต่างๆได้เข้ามาหามาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาแสดงความเคารพมาแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระคุณนันยิ่งใหญ่มาหาศาลของพระพุทธเจ้าเพราะว่าสมัยก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าตัดสรุปขึ้นมานี้ยุคนั้นไม่มีพระอารหันต์แม้แต่หนึ่งรูปตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้านี้ ไม่มีใครสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เลยแม้แต่รูปเดียวต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปมาเป็นพระอาหารหันตแต่สามมาสามพุทธเจ้าก่อนแล้วมันประกาศพระธรรมคำสอนให้กับผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์พอได้แสดงธรรมให้กับผู้ที่สนใจ <S S S S S ก็ปรากฏมีการหลุดพ้นจากความทุกข์กันอย่างมากมายก่ายกอง อย่างน้อยก็หนึ่งพันสองรอห้าสิบรูปเพียงในระยะเวลาเพียงเจ็ดเดือนเท่านั้นเองก่อนหน้านั้นเป็นเวลาเป็นร้อยปีพันปีหมื่นปีไม่มีพระอรหันต์ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ได้เลยต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปแล้วมาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สา์โลกจึงจะสามารถรู้วิธีของการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ นี่ละคือพระคุณยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่มีต่อสัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายพวกเราที่ปรารถนาความทุกข์นี้เรามีความเรามีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ในภพนี้ชาตินี้ถ้าเราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งทางใจเป็นครูเป็นอาจารย์ศึกษาเร่มเรียนจากพระพุทธเจ้าผ่านทางพระธรรมคาสอน ที่ได้มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือศึกษาจากพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าหรือจากพระอริยสงสาวรลูนใดลูกหนึ่งก็ได้ไม่ต้องเป็นพระอาหารหันต์ก็ได้พระโสดาบันนี้ก็สามารถสอนทำที่ถูกต้องแม่นยำได้สามารถสอนให้เข้าสู่กระแสไปสู่พระนิพพานได้พอเข้าสู่กระแสแล้วก็สามารถปฏิบัติไปเองได้ โดยที่ไม่ต้องมีครูอาจารย์มาส mm hmm. อนเพราะรู้ทางที่จะนำไปสู่พระนิพพานแล้วพราต้องไปทางไหน mm hmm. อันนี้คือองค์ประกอบอันแรกของ mm hmm. ที่พึ่งทางใจถ้าเราอยากจะสร้างที่พึ่งทางใจที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้เราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งเป็นครูเป็นอาจารย์ หรือทั้งสององค์ก็ได้หรือสามองค์ก็ได้ถ้าเราศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนี้ก็ถือว่าเราได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าและศึกษาจากพระธรรมคำสอนไปควบคู่กันไปเลยแล้วถ้าเราไปปฏิบัติอยู่กับครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยสงฆ์เราก็จะได้ศึกษาเพิ่มเติมจากพระอริยสงฆ์เพราะพระอริยสงฆ์นี้ จะช่วยอธิบายทำบางข้อบางอย่างที่เราศึกษาจากพระไตรปิฎกแต่เรายังไม่เข้าใจวิธีการที่ถูกต้องว่าต้องทำอย่างไรเช่น mm hmm. ถ้าเราไม่เคย mm hmm. ถ้าเรามาศึกษาเบื้องแรกเราก็จะงงว่าทำไมเราต้องมีที่พึ่งสองอันตอนต้นก็สอนให้เราเพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เป็นสารณะเป็นที่พึ่งแล้วก็มาสอนให้ให้ตนเป็นที่พึ่งของตอนอีกด้วย mm hmm. บางแล้วดูเสียนว่ามันเหมือนกับมันขัดกันจะต้องพึ่งงานไหนกันแนะ่จะพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงอย่างเดียวได้ไหมไม่ต้องพึ่งอัตตาหิอัตนโนนาเถไม่ต้องพึ่งตนเองได้ไหมก็ไม่เข้าใจหรือต้องพึ่งตนเองอย่างเดียวไม่ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ไหมถ้าถ้าไม่ได้ไปศึกษากับถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็อาจจะไม่มีใครสามารถมาแยกแยะมาอธิบายถึงหน้าที่ของที่พึ่งทั้งสองส่วนนี้ได้ว่าที่พึ่งทั้งสองส่วนนี้มีความจำเป็นต่อการสร้างที่พึ่งทางใจให้ครบบริบูรณ์ได้เพราะว่าที่พึ่งทั้งสองส่วนนี้ทำหน้าที่ต่างกันที่พึ่งที่เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นศารณะเป็นที่พึ่งนี้ทำหน้าที่สั่งสอน ให้ความรู้กับผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ให้รู้จักวิธีหลุดพ้นว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรแต่ท่านไม่สามารถที่จะทำให้ผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์นี้หลุดพ้นได้เพียงจากการศึกษาเพียงอย่างเดียวเพราะการจะหลุดพ้นได้นั้นจาเป็นที่จะต้องปฏิบัติวิธีที่จะทำให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์อันนี้ ผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สามารถปฏิบัติให้กับผู้ปฏิบัติได้ผู้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงแต่สอนบอกวิธีให้หลุดพ้นได้ว่าจะต้องทำอย่างไรแต่จะหลุดพ้นได้ต้องอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเอาพระธรรมคำสอนมาปฏิบัติอีกทีนึต้องศึกษาก่อนศึกษาจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ เมื่อรู้วิธีว่าจะต้องทำอะไรต้องปฏิบัติอย่างไรก็ต้องปฏิบัติ mm hmm. ผู้ที่จะปฏิบัติก็คืออัตาฮีอัตโนนาโถนี่ตนเป็นที่พึ่งของตนผู้ปฏิบัติเป็นที่พึ่งของตอนเองในการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติแทนเราได้ mm hmm. มันใช่หมายความว่าพอเราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเราก็จะได้ที่พึ่งทางใจขึ้นมา ท, าทันทีเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทันทีอันนี้มันไม่เป็นไปตามที่เราเข้าใจกันถึงแม้เราจะถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งถือเป็นครูเป็นอาจารย์ศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างต่อเ น, นื่องอย่างสม่ำเสมอแต่ถ้าเราไม่นําเอาคําสอนไปปฏิบัติ ผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติคือการดับของความทุกข์ต่างๆนี้มันก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้มันจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องเราเอาวิธีที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัตินี้ไปปฏิบัติเมื่อเราเอาไปปฏิบัติทีนี้แหละผลก็จะปรากฏขึ้นมาผู้ที่จะต้องปฏิบัติก็คือผู้ปฏิบัติเองผู้ที่ต้องพึ่งตนเอง พึ่งอัตตาหิอัตโนนาโถนี่ดัง<ม>นั้นส่วนประกอบสองส่วนนี้เป็นส่วนประกอบที่จําเป็นสําหรับการสร้างที่พึ่งหรือมีที่พึ่งทางใจขึ้นมาะ<ม>ถ้ามีเพียงส่วนเดียวนี้จะเป็นที่พึ่งยังไม่สมบูรณ์<ม>อย่างพวกเราส่วนใหญ่นี้เราจะมีที่พึ่งส่วนเดียวก่อนคือที่พึ่งในพระรัตนตรัย<ม>วเรามีศรัทธามีความเนื่อมใส มีความเชื่อในพระธรรมในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเราจึงมาวัดกันมาวัดเพื่อมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมกันอันนี้เรามีเราได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆจึงทําให้เกิดมีความเชื่อความเนื่อมใสจึงทําให้เรามาวัดกันเพื่อมาปฏิบัติธรรมกันนัน้พอเรามีความเชื่อมีศรัทธาแล้วเราก็จะมีองค์ องค์ประกอบส่วนที่หนึ่งแล้วเราก็ต้องนําไปสู่องค์ที่สองคืออัตตาหิอัตโนนาโถเมื่อเราเชื่อแล้วเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดที่เรียกว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเราสามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าได้วิมุติเือผล ที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจเราก็จะค่อยๆหมดไปเป็นขั้นเป็นตอนไปไม่ได้หมดทีเดียวพร้อมกันไปเลยในครั้งเดียวหรือเป็นขั้นๆไปเหมือนขั้นบันไ ด, ด, ดขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับเวทนาต่อไปพระสกิดาคามีกับพระนาคามี ก็จะหลุดพ้นจากความทุกจากการมีความมีความรักไข่ในร่างกายของผู้อันนี้ก็จะหลุดพ้นจากความทุกจากการที่อยากจะมีแฟนอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่แล้วมีความเหงา mm hmm. ก็สามารถหลุดพ้นได้ขั้นต่อจากพระโสดาบันก็จะเป็ น, นขั้นพระสกิ ด, ดาคาพระอนาคามีสองขั้นนี้เหมือนกั น, นขั้นพระสกิ ด, ดาคามีนี้ ทำให้ความทุกข์เบาบางลงความทุกข์ที่เกิดจากความเหงาความที่อยู่คนเดียวไม่ได้ความที่จะต้องมีแฟน ม, มีมีเพื่อนร่วมชีวิตพอไม่มีก็จะทําให้รู้สึกเหงาว้าวเวงขึ้นมาถ้าสกิดาคามมนี้ถ้าสามารถลดปริมาณของความเศร้าความความเหงานี้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งแต่ยังไม่หมด ไปหมดขั้นที่สามขั้นพระอนาคามีพระอนาคามีนี้จะไม่มีความอยากจะมีแฟนอีกต่อไปเพราะมีปัญญาเห็นความไม่สวยงามของร่างกายของแฟนนี่เห็นอาการสามสิบสองของร่างกายตลอดเวลาเห็นว่าร่างกายจะต้องกลายเป็นซากศพขึ้นมาเมื่อเวลาที่ร่างกายไม่หายใจแล้วเล่อร่างกายในสภาพที่ไม่น่าดูน่าชม ความรักความใข้ในร่างกายของของแฟนก็จะหายไปก็<ม>จะสามารถอยู่คนเดียวได้มไม่รู้สดเงาหรือ ว, าว้าเวความทุกข์ก็จะค่อยๆหดไปเป็นขั้นๆพอถึงขั้นที่สี่ขั้นการหันก็สามารถทาให้ความทุกข์ที่หลงเหลืออยู่ซึ่งเป็นเกี่ยวกับื่องอารมณ์ของใจอารมณ์ที่ยังแปรปวนอยู่อารมณ์ขึ้นๆล ง, ลงๆอยู่อารมณ์เศร้าส้อยหงอยหเหงาอารมณ์เบิก บ, บาน อารมณ์หมู่เยดอารมณ์เครียดอารมณ์อะไรต่างๆที่ยังไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับอารมณ์เหล่านี้พอได้คำสอนของพระเจ้ามามาใช้ก็สามารถทำให้ความทุกข์ที่จะต้องเจรเิญกับอารมณ์ต่างๆของใจนี้หายไปไม่ทุกข์กับอารมณ์ต่างๆต่อไปไม่ทุกข์กับอะไรไม่มีอะไรเหลือให้ทุกข์แล้วไม่ทุกข์กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองในเบื้องต้นไม่ทุกข์กับ ร่่งกายของตนไม่ทุกกับความเจ็บปวดของตนไม่ทุกกับการที่จะต้องอยู่คนเดียวจะไม่มีความ ร, รู้สึกเศร้าซร้อยงอแงาว้าเวอย่างไรแล้วก็จะไม่ทุกกับอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในใจอยู่เรื่อยๆนี่เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติขั้นตอนของการสร้างที่พึ่งทางใจเราไม่ได้สร้างทีเดียวให้มันเกิดขึ้นมาทีเดียวพร้อมกันเลย แต่เวลาที่จะทำให้เลื่อนขั้นเลื่อนชั้นนี้มันก็ช้าเร็วต่างกันบางท่านก็ติ็ดเป็น ต, ติดในแต่ละขั้นเป็นเวลาหลายวันหลายเดือนหลายปีก็มีบางท่านก็ไม่ติดติดแค่แปบเดียวพอได้ขั้นที่หนึ่งก็พิจารณาขั้นที่สองก็ได้ขั้นที่สองพอพิจารณาขั้นที่สามก็ได้ขั้นที่สามพอพิจารณาขั้นที่สี่ก็ได้ขั้นที่สี่ ได้สามารถหลุดพ้นได้อย่างรวดเร็วก็มีสําหรับบางท่านพวกที่มีปัญญาเฉียบแหลมคมนี้เวลาจะบรรลุธรรมนี้จะบรรลุได้เร็วพวกที่มีปัญญาทึบนี่อาจจะต้องใช้เวลาศึกษาค่ายควรพิจารณาอยู่เรื่อยๆก่อนจึกว่าจะเข้าใจเพืจะสามารถทําให้ความทุกข์นั้นหมดไปได้แต่ไม่ว่าไม่ว่าจะช้าหรือจะเร็ว การดับความทุกข์ทางใจนี้มันจะต้องเป็นไปเป็นขั้นขั้นท่านถึงแบ่งไว้เป็นสี่ขั้นขั้นพระโสดาบันขั้นพระสะกิดาคามีขั้นพระอน า, าคามีแล้วก็ขั้นพระอาหารหันต์ตามลาดับไปการบรรลุเร็วช้านี้ก็อยู่ที่สติปัญญาสมัยแรกๆที่พระเจ้าทรงสแสดงธรรมปัวนักบวชที่มีสมาธิที่พร้อมอยู่แล้ว มีศีลบริสุทธมีสมาธิอยู่แล้วขาดปัญญาพอพระองค์ทรงแสดงปัญญาให้ฟังเนะก็สามารถดูดพ้นได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นเลยก็มีดูดพ้นได้ทั้งสี่ขั้นเลยตามลําดับพระเจ้าจะทรงแสดงทำเป็นขั้นเป็นตอนไปพอฟังไปแล้วเข้าใจเข้าใจก็ตัดได้ตัดได้ตัดได้ดไดจนั้นที่สุดก็สามารถ หลุดพ้นได้ในขณะที่แสดงธรรมเลยในทั้งสี่ขั้นด้วยกันนี่คือที่พึ่งทางใจของขอ ง, ของเราชาวพุทธไม่มีที่พึ่งทางใจดใด ใ, ในโลกนี้ที่จะสามารถทําให้ใจนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์อย่างร0อยเปอร์เซ็นมีที่พึ่งทางใจในสัพพุทธศาสนานี้เท่านั้น ที่จะสามารถทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างร้อยเอร์เซนตต้องมีองค์ประกอบสององค์ด้วยกันต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์แล้วต้องมีตนเองเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าไม่สนใจไม่เข้าวัดไม่อ่านหนังสือธรรมะไม่ฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะไม่รู้วิธีของการดับความทุกข์ว่าต้องดับได้อย่างไงบ้าง เมื่อได้มาเกิดเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วต้องเข้าหาต้องเข้าศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศึกษาจากพระไตรปิฎกเบื้องต้นควรจะศึกษาจากพระไตรปิฎกก่อนก็จะได้รู้ว่าของแท้ของจริงที่พระเจ้าทรงสอนนี้ท่านสอนไว้ว่าอย่างไรบ้างแล้วขั้นที่สองก็อาจจะไปหาพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าไปศึกษาไปอยู่ไปปฏิบัติกับท่าน เราก็จะได้รู้มีความรู้เปรียบเทียบว่าเวลาท่านสอนท่านสอนตรงกับคําสอนที่พระเจ้าสอนไหมไหรือไม่ถ้าสอนไม่ตรงกันแล้วก็อาจจะสงสัยได้แล้วว่าอาจจะไม่ได้เป็นพระอริยสงฆ์ก็ได้ถ้าเป็นพระอริยสงฆ์แล้วคําสอนของท่านจะไม่ขัดกับคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนถ้ามีการขัดกันนี้ก็แสดงว่าคงจะไม่ใช่เป็นพระอริยสงฆ์นะ เพราะคำสอนของพระไตรปิฎงนี้ได้รับการยืนยันได้รับการตรวจสอบจากพระรหันห้าร้อยรูปแล้วว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องแน่นยําตามที่พระเจ้าได้ทรงสอนไว้ทุกประการนี่คือการที่จะเข้าถึงพระรัตนะใจก่อนเมื่อเราได้เข้าถึงแล้วรู้วิธีแล้วเราก็ต้องนำามาปฏิบัติเราก็ต้องเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเอง เพราะไม่มีใครปฏิบัติแทนเราได้คนที่ปฏิบัตินั่นแหละจะเป็นผู้ได้ผลคนที่ไม่ปฏิบัติถึงแม้จะรู้เข้าใจปีดกทั้งเล่มก็ตามให้ศึกษาเขาทำมามากมายกายกองมากน้อยเพียงไรก็ตามก็จะไม่สามารถบรรลุถึงทำขั้นต่างๆได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นได้ต้องเกิดจากการทําความเพียรหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียร ด้วยการปฏิบัติอัตตาหิอัตนโนนาโถนี่ดังนั้นเมื่อเราได้พบพระพุทธธรรมพระสงค์แล้วเราก็ต้องเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติเมื่อเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้ววิมุตติคือการหยุดพ้นจากความทุกข์ก็จะตามขึ้นมาตามลําดับอย่างแน่นอนอ่านี่คือเรื่องขององค์ประกอบเรื่องของที่เครื่องทางใจที่มีองค์ประกอบอยู่สองส่วนคือมีธรรตนตรัตยเป็นครูเป็นอาจารย์ แ้วมีอาตาหีอาตาโนนาโถเป็นผู้นําเป็นผู้ปฏิบัติตามคําสอนถ้าเรามีองค์ประกอบสองส่วนนี้แล้วเราก็สามารถเข้าถึงวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนการแสดงธรรมก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้แล้วเราจะได้มากระทําขั้นต่อไปขั้นแรกเราได้ศึกษาแล้ว ว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างก็จะทําให้ความทุกข์ต่างๆุพ้นไปจากใจการปฏิบัติก็มีสามสามขั้นตอนขั้นศีลสมาธิและปัญญาศีลจะมีศีลห้าศีลแปดเราก็รักษาศีลกันอยู่ขั้นที่สองก็คือสมาธิจะเป็นขั้นที่เราจะมาฝึกสมาธิกันมานั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบกันตอน่อก่อนที่จะไปสู่ขั้นที่สามคือขั้นปัญญาได้ เราต้องป ฏ, ปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนไปตอนนี้เราจะมาปฏิบัติขั้นที่สองต่ขั้นที่หนึ่งเราก็มีกันอยู่แล้วเราก็รักษาสิ่กันอยู่เป็นปสติอยู่แล้วลขั้นที่สองนี่เราก็ต้องพยายามสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในใจให้ได้ต้องทำใจให้นิ่งให้ได้เพราะว่าสมาธิคือความสงบตั้งมั่นของใจใจตั้งมั่นอยู่ในความสงบเรียกว่าสมาธิ ใจจะตั้งมั่นอยู่ในความสงบได้ต้องมีสติคอยกำกับใจคอยควบคุมใจให้ไหม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆด้วยการควบคุมใจให้ถูกใจอยู่กับอารมณ์ที่จะกล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบอารมณ์นี้เราเรียกว่ากรรมฐานเช่นคำเธิการพุทโธพุทโธก็เป็นกรรมฐานหนึ่งการดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างการสวดมนต์ก็เป็นกรรมฐานอีนนน ก, กรรอย่าง ที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะบอกกับเราในตอนนี้ว่าคนจะใช้อย่างไรถ้าใจเรายังคิดมากยังฟุ้งอยู่ไม่สามารถดูลมได้ไม่สามารถบริกรรมพุทโธได้เราก็ต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อนนั่งหลับตาอยู่ในท่าสมาธิแล้วก็สวดมนต์ไปภายในใจสวดไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะสงบตัวลงจนสามารถเปลี่ยนมาดูลมได้แล้วเปลี่ยนมาบริกรรมพุทโธได้ เราก็เปลี่ยนจากการสวดมนมาดูลมหรือมาบริกรรมพุโทโธพอเราดูลมแล้วหรือบริกรรมพุโทโธแล้วเราก็ไม่ควรจะเปลี่ยนเราควรจะผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานนี้ไปจนกว่าใจจะนิ่งสงบรวมเป็นสมาธิขึ้นมาระหว่างทางถ้ามีอะไรมามาหลอกมาลอ่อเรามีความคิดมีความมีเสียงมีอารมณ์อะไรต่างๆมาหลอกมาลอ่าลอให้เราไปสนใจอย่าไปสนใจ ให้ผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวถ้าอยากจะเข้าสู่ความสงบถ้าอยากจิตให้จิตรวมเป็นสมาธิจาเป็นจะต้องเป็นหนึ่งจิตจะต้องเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งกับกรรมฐานเป็นหนึ่งกับลมหายใจก็ได้เป็นหนึ่งกับทำบริกรรมพุโทโธก็ได้ถ้าไปสนใจเรื่องอื่นที่ปรากฏแค่มีเสียงเข้ามามีความคิดเข้ามามีความรู้สึกเข้ามาทางร่างกายว่าคันตรงนั้นเจ็บตรงนี้อย่าไปสนใจ ให้ถูกใจไว้ให้อยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวใจถึงจะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าเราไปหลงตามกับความคิดหลงตามกับสิ่งที่ปรากนใจก็จะไม่นิ่งไม่สงบใจก็จะต้องคิดตุ้งต่งไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปสนใจในขณะที่นั่งสมาธิให้ถูกใจอยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวใจเราถึงจะเข้าสู่ความสงบได้แล้วจะปรากฏผลคือความสุขอันยิ่งใหญ่ ความสุขเย็นใจสบายใจที่เราไม่เคยพบมาก่อน mm. ก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจของเราแล้วใจเราจะเบาอกเบาใจสบายใจระววางเฉยได้อะไรเข้ามากระทบก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรมาสัมผัสก็เฉยเฉยได้อันนี้คือเป้าหมายของการทําสมาธิแล้วที่เราจะมาทํากันในขณะนี้ซึ่งก็ใช้เวลาเหนือเวลาประมาณทั้งยี่สิบหกนาทีด้วยกัน ตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกโปรดสังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีให้จดจำวิธีนั่งของวันนี้ไว้แล้วนำมาไปนั่งในคราวต่อไปได้เลยจิตก็จะสงบเหมือนวันนี้แต่อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเหมือนวันนี้เพราะความอยากจะไม่ได้ทำให้มันสงบต้องวิธีนั่งของวันนี้ ที่ดีที่ถูกถ้านั่งเรายังไม่สงบ mm. ก็แสดงว่าสติยังมีกําลังน้อยคนฝึกสติให้มากขึ้นในระหว่างวันเราสามารถฝึกสติได้ทั้งวันพอตื่นขึ้นมาแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้เข้าดูร่างกายเราก็ได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ท่า น, นี้เราก็จะมีสติเพิ่มมากขึ้นต่อไป ถ้าเวลามานั่งสมาธิข่ขาวหน้าก็าจะนั่งได้ดีขึ้นได้นานขึ้นถ้าต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พ้นยะทาวเรวะหาปุราปุระเปรนติสาคลังเอวเมวะอิตตินังเปตานังอุปปักปติอิติตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉโต สัพเพปุลินทสังกปาจันโทปนะราโสยะาเมณนโชติราโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโวินัสตุมาเตภวะเวันตรายุสุขีธีคาโยโภวะ อาพิวาธานาสีริสานิจังวุฒาปจายโนจตารธรมวาวทฏันเตอายุวโนโสุขังภาลังลช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถาม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 292ท่าน YouTube d r YouTube p r o d u t Live 3 2 YouTube d r V 55วิทย้อ i y o Online Clubhouse 3านักกวิหนึรกิรวมทั้งหมด819ท่านค่ะมีคนาครับ I have question how how t r e i o the person is enlightened Oh, you have to stay with him, study with him, then you might know. But it's not easy to find out. But it takes time and takes a lot of. Uh, you have to have some knowledge also. Just like a a person who who sells gold, he has to know what real gold is and what fake gold is first, then he can judge. But if you don't have any information about what an enlightened person is, then it will be difficult of to, right here to judge. So you just, I guess you just have to believe, like other people who believe in him first. But don't believe totally though. Believe enough so that you can then study from him or her, and then practice it. And if you can become enlightened from the teaching, mm. then you can say that this person must be enlightened, or else he would not be able to teach you to become enlightened. Mm. So don't worry about whether a person is enlightened or not. Worry about you: Are you enlightened or not? Mm. If you are not, then you have to study and practice more. Mm. Study the teaching of the Buddha and follow his teaching. Mm. Then you can become enlightened. And you can know it for yourself. You don't have to prove it to other people. Mm. Okay, the important is you, not the other person, mm. not the other people. Other people can become enlightened, and it doesn't make you become enlightened with them. Mm. So, pay more attention to yourself. Try to make yourself become enlightened by looking for good teaching. If you cannot find Good teachers in in in real life, and study the Buddha's teaching from the from the scripture. Where are you from? Malaysia. Malaysia. Are you staying here for a short time for w a l k i n g in the monastery? No, I I just came here for w a l k i n g For w a l k i n g Yeah. I see. You, you're not staying in the monastery. Here? No. คออมา o n o k i n g yeah, yes. yeah o k right. yeah. yeah, so mm hmm. any any more question you like to ask? no more. okay, thank you. คถามจากทาง a c e b o o k ค่ะถ้าเราทำบุญหรือนั่งสมาธิแล้วอยากแบ่งบุญให้ลูกและสามีควรแผ่เมตตาให้หรือแบ่งบุญให้เจ้าค้าแบ่งไม่ได้หรอ บุญใครบุญมันต้องทำกันเองได้แต่ให้ความเมตตาอย่าไปโกรธเขาอย่าไปเกลียดเขาสงสารเขาเอ็นดูเขาให้ความสุขกับเขาคำถามจากทาง y o u t u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะนั่งสมาธิหน้าร้อนเอามือขวาทับมือซ้ายแล้วมือแล้วเหือออกเปลี่ยนมาเป็นเอามือเอามือมาไว้หน้าขาเพื่อให้เหงื่อหายได้ไหมคะ เวลานั่งไม่ควรจะขยับร่างกายถ้าเป็นไปได้นอกจากถ้ามันเป็นเรื่องสุนวิสัยเรื่องจําเป็นจริงๆค่อยค่อยขยับร่างกายเพราะการขยับร่างกายนี้เหมือนกับการกลับมาเริ่มต้นใหม่การนั่งสมาธินี้เราต้องการปล่อยวางร่างกายให้จิตเข้าข้างในให้เข้าเข้าสู่จิ ต, ตถ้ากลับมาขยับร่างกายกันดึงจิตออกมาจากข้างในยันถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ อย่าไปขยับร่างกายดีที่สุดถ้าขยับแล้วก็เหมือนกับกรัมาเริ่มต้นใหม่คำถามจากทางเ c e บ o o k ค่ะผมนอนฝันทุกคืนและจำเรื่องราวได้ทุกอย่างถ้าผมนั่งสมาธิจะช่วยลดความฝันได้ไหมครับได้ถ้าเรามีสติถ้านั่งแล้วไม่มีสตินั่งแล้วคิดไปตลอดเวลาก็ไม่ช่วยลดได้สิ่งนี้จะช่วยลดความคิดได้คือการมีสติควบคุมความคิด ถ้ามีสติอยู่กับพูดโทพูดโทอยู่เรื่อยเรื่อยความคิดก็จะเบาลงน้อยลงได้คำถามจากทางยูทู u ด็อตอร์ฟีค่ะผมตั้งใจจะบวชตลอดชีพเพื่อพ้นทุกข์แต่มีอุปสรรคเยอะมากตอนนี้เหลือเกณฑทหารหากไปจับหากไปจับใบดำใบแดงจะรอดไหมครับก็แล้วแต่บุญต่กรรมนะ คำถามจากทาง youtube อร V ค่ะกลับมาเกิดเป็นคนชาติปัจจุบันแสดงว่าบุญและบาปเราได้ชดใช้ไปหมดแล้วใช่ไหมคะแล้วทำไมคนถึงกลับมาเกิดแล้วทำไมคนถึงเกิดมาต่างกันคะบุญกับบาปยังไม่หมดเพียงแต่ว่ามันมีกำลังเท่ากันบุญก็ดึงไปสวรรค์ไม่ได้บาปก็ดึงไปอาบายไม่ได้ก็เลยต้องมาเป็นมนุษย์ต่อเราเป็นมนุษย์ดีแล้วชั่ออยู่ที่ว่าเรา เราเรามาจากข้างบนหรือมาจากข้างล่างถ้าลงมาจากสวรรค์ก็จะเป็นคนดีลงมาเกิดถ้าเป็นขึ้นมาจากกระบายก็จะเป็นคนไม่ดีขึ้นมาเกิดเป็นคนไม่ดีอาเชิญถามได้สิทธิ์ขอถามพระอาจารย์ค่ะคือตอนที่เรานั่งมาในรถกันเราก็คุยกันเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็มีคำถามค่ะว่า ในขั้นตอนที่อภิชาปัจจญาสังคาลาแต่ส่วนที่สิทธิสงสัยก็คือบิญญาณนะปัจจญานามรู ป, ปังคือความรู้สึกว่ า, าการรับรู้เนี่ยทำให้เกิดนามรูปก็คิดว่านั่นก็คือเป็นการเป็นการเกิด เป็นการเกิดแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าพ อ, เ อ, อสเต็ปต่อจากนั้นเนี่ยก็จะมีเภาะวะปัจจยาชาติเป็นภพภพก็เป็นเหตุให้เกิดชาตินั่นก็หมายความว่าการเกิดเนี่ยในวงของปฏิจจสมุปบาท มันเป็นการครั้งแรกเป็นการเกิดเหมือนในคันมารดาหรือเปล่าคะแล้วครั้งที่สองนี่เป็นการเกิดออกมาเป็นมนุษย์ใช่หรือเปล่าเจ้าคะถ้าไม่รู้ก็อย่าไปสนใจดีกว่าไม่จำเป็นจะต้องรู้หรอกให้รู้ว่าเกิดมาแล้วเรามาหยุดกิเลสได้หรือเปล่าพอพอค่ะหยุดความโลภความโกรธความหลงได้หรือเปล่าพอพแล้วมันจะได้หยุดการเกิดได้ เหตุที่ทําให้เรามาเกิดก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้ปฏิบัติทานศีลภาวนาไปถ้าเดี๋ยวก็จะกําจัดความโลภโกรธหลงได้หมดแล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกค่ะก็คือเหตุของทุกข์แล้วก็ตัดที่เหตุของทุกข์ใช่ไหมเจ้าค่ะทุกข์และเหตุที่พาให้มาเกิดก็คือตัณหาความอยากอันหนึ่งโดยสมาธิได้ปัญญาด้วยศีลสมาธิปัญญาท่านี้ก็พอ ทิ้งแต่พวกนี้เ้าปวดหัวไม่จำเป็นจะเพราะสงสัยว่าเอ๊ะเป็นอะไรเป็นเหตุของอะไรไปเรื่อยๆพูดไปคนหนึ่งก็มีความเห็นอย่างหนึ่งอีกคนนึ่งก็มีความเห็นอย่างหนึ่งก็เป็นแบบพวกตาบอดคำช้างเน่ะเคยได้ยินมิทางตาบอดคำช้างไหมคนตาบอดห้าคนมันเจอช้างตัวไม่เหมือนกันเห็นว่าไม่เหมือนกันแต่ก็เป็นความจริงทั้งนั้นคนจับหางก็ว่าเป็นเหมือนเป็นเชือกคนจับงวงก็ว่าเป็นงูคนจับงา ก็เรียกว่าเป็นห อ, อกอ ม, มันจับร่างกายท้องก็กว่าเป็นกําแพงมันจับหูก็ว่าเป็นใ บ, บพัดเนี่ยนันก็ถูกทั้งนั้นแนหะแต่เมื่อนัางเสียงมันจะมันตามันอย่ไปเสียงมันเสียเวลาเลยลืมตาดูดีกว่าเดินตาแล้วก็รูม้มันมีทั้งห้าส่วนดะงนั้นที่ทรงแสดงไว้ให้เราเข้าใจภาพรวมมันเหมือนกับเป็นโฟลชาร์ดเนี่ยเคยเคยเรียนคอมไหมคอมก็จะมีโฟลชาร์ดขั้นที่หนึ่งทำอย่างนี้ขั้นที่สองทำอย่างนี้ขั้นที่ส อันนี้เป็นคลวชอะไล่มาจากกวิชาลงมาจนกระทังเปภพชาติเคยแก่เจ็บตายท้านนั่นเองแต่ปัญหาอยู่ที่ตัวตันหาความอยากตัดา ท, าที่ตัวนั้นล<า>นะตัดละทุกข์ก็หมดไปภพชาติก็หมดไปกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะครูบาอาจารย์ท่านยังไม่ค่อยพูดเรื่องปฏิจะสมุปบาท น, นะเ่าสังเกตอยู่เลยไนทางครูบาอาจารย์กรรมฐ า, าน่ท่านยังไม่ค่อยพูดเรื่องอะไรนะ มันไม่ไม่จำเป็นจะต้องรู้ให้รู้วิธีกำจัดตั้หาความอยากก็พอตัวเดียวนี่ตัวสำคัญตัวร้ายกาศคำถามจากทาง Facebook ค่ะคำสอนที่ว่าทำดีละชั่วทำใจให้บริสุทธิ์ตรงทำใจให้บริสุทธิ์ทำอย่างไรได้บ้างคะให้เราผองายได้ตลอดเวลาทังสมาธิทัางสมาธิตลอดวันตลอดคืนเนี่ย จิตใจก็จะผ่องใสขึ้นมาแล้วออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาคอยอรักษาความสว่างนี้ด้วยการกำจัดกิเลส ต, ตัณหาที่โผล่ขึ้นมาทท้งนั้นเองเอา ก, กิเลส ต, ตัณหาโผล่ขึ้นมาฆ่ามันได้หมดใจก็ผ่องใสไปตลอดคำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ อาสวะขายะอภิน ญ, ญาคืออะไรครับจำเป็นต้องฝึกปฏิบัติสมาธิให้ได้ชานสี่ก่อนไหมครับอาสวะนี่เราไม่รู้นะ้องไปฐาน Google ดูเย่ยดูยกันแต่การปฏิบัติสมาธิต้องได้ชานสี่ก่อนนี้ต้องจำเป็นถ้าไม่มีชานสี่เราจะไม่มีกำลังหยุดความอยากต่างๆได้คำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ มีสติยืนเดินด น, นั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดหมายความว่าอย่างไรครับก็หมายความว่าอย่างนั <father> <the> ้นแหละใช้หมายควาว่าอย่างไรก็รู้อยู่ไงคอยเฝ้าอยู่ว่าร่างกายกําลังทําอะไรกําลังเดินก็รู้ว่ากำลังเดินอย่าให้ปล่อยให้ร่างกายเดินแล้วจ่ายไปคิดถึงนู่นน่ะไปคิดถึงพญาภาคหรือที่ไหนนั่นให้อยู่กับร่างกายตลอดเวลาอย่าส่งไปอดีตอย่าส่งไปอนาคต อย่าไปส่งไปที่นั่นที่ใกล้ที่ไกลผูกใจไว้กับร่างกายความหมายให้มีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายคำถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติค่ะถ้าเราใกล้จะตายมีเวทนาหนักแต่ถ้าฝึกจนได้ฌานสีแล้วเราสามารถหนีเข้าไปอยู่ในสมาธิได้ไหมครับได้ถ้าจะหนีก็ได้หรือถ้าใช้ปัญญาก็ไม่ต้องหนี ปัญญาจะสอนว่าไม่ต้องห น, มนมีมันไม่เป็นตัวอันตรายตัวอันตรายก็คือตัรหาความอยากตัวที่อยากจะหนีที่เราต้องหยุดมันนะงหาบถ้าเราหยุดความอยากหนีได้ใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะอยู่กับทุกขเวทนาได้อย่างไม่เดือดร้อนโดยไม่ต้องเข้าไปในสมาธิคาถามสำรองมีไหมวันนี้มีใครอยากจะถามไหม มีใครกั้นไม่นานแล้วอยากจะถามแต่ไม่มีโอกาสอันนี้มีโอกาสว่างเถิดถามได้อเข้ามาพอโอกาสหลวงพ่อครับเ อ, อเคยคิดอยากบวชครับแต่ว่าถ้าบวชไปแล้วกว่าจะสึกอย่างนี้ครับแต่ขอขออยากทราบว่าทํายังไงให้อยู่ได้นานๆครับถ้าบวชไปแล้ว ก็ต้องปฏิบัติให้ได้ผลให้มีความสุขถ้าเรามีความสุขกับการดวดเราก็จะไม่อยากจะสึกถ้าเราไม่มีความสุขเราก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวเราก็ต้องสึกถ้ า, ถามีความสุขก็ต้องนั่งสมาธิให้เป็นสามารถนั่งสมาธิได้ทั้งวนันทั้งคืนไม่ต้องทําอย่างอืง่นนั่งสมาธิเดินจงกรมสลับกันไปได้ทั้งวนันทั้งคืนถ้ามีความสุขก็จะไม่อยากจะสึกแต่ถ้านั่งสมาธิไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้ใจเครียดใจทุกข์ใจอยากจปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็ ว่ต้องศึกไหมครับงั้นถ้ามบวชแล้วต้องตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติครับตั้าใจยังเข้าใจครับอ่ามีอะไรอไหมยิงครับคำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะ คนที่มีดีคือคนที่เวียนล่างแต่ทำไมคนที่ไม่ดีเหล่านั้นถึงมีชีวิตหน้าที่การงานที่ดีฐานะครอบครัวดีแต่การปฏิบัติคิดและปฏิบัติต่อผู้อื่นถึงไม่ดีมากๆทำไมเขาถึงเกิดมามีชีวิตที่ดีได้ล่ะคะเพราะมันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นด้วยไม่ใช่เะพาะอยู่ที่บุญอยูที่บาปอย่างเดียวมีเหตุมีปัจจัยอย่างอื่นที่อาจจะทาให้เขาดีแต่ใจเขาไม่ดีแต่เขาได้รับตาแหน่งที่ดีก็มี มันไม่มไม่มีมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยไม่ใช่อยู่ที่บุญที่บาปไม่ใช่หมะคนดีคนใจบุญจะได้ตำแหน่งที่ดีไปทุกคนคนที่ใจบาปจะได้แต่ตำแหน่งไม่ดีไม่ใช่มันมันปนกันไปเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยหลายหลายด้านที่มาเกี่ยวข้องด้วยคำถามจากทางเฟซบกค่ะทำอย่างไรให้การตัดสินใจเราดีขึ้นคะการทำสมาธิช่วยได้ไหมคะ ต้องใช้ปัญญาถึงจะตัดสินใจได้ดีรู้จักจคิดด้วยเหตุด้วยผลทำอย่างนี้แล้วจะ อ, อะไรจะเกิดขึ้นทำอย่ <Course S 1> างนั้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อรู้ผลที่จะเกิดขึ้นตามมาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะได้ตัดสินใจถูกทำอย่างนี้แล้วติดคุกทำอย่างนี้แล้วไม่ติดคุกเอย่างไงดีถ้าถ้าถ้าอยากจะติดคุกก็ทำอย่างนี้ถ้าไม่อยากจะติดคุกก็ให้ทำอย่างนี้ต้อ ง, องคิดด้วยเหตุด้วยผล อ, อมาถามได้เขาโอกาสพระอาจารย์ค่ะ โยมสงสัยค่ะมันก็จะมีวิชาค่ะที่เขาเรียกว่าวิชาหนึ่งที่มีเมืองพระนิพพานไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคนปฏิบัติเขาก็จะมีฤทธิ์มีอะไรรู้วาระจิตต่างๆแล้วก็สามารถเห็นภาพพระนิพพานเข้าไปอยู่ในนิพพานได้ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ซึ่ง ม, ม, มันวิชานี้อยู่ที่ไหนใ ค, ใครสอนมีค่ะแต่กานะรสอน <c oughs> มันต้องมีแรงเลย <c oughs> มามาพูดลอยๆเราไม่ฟังหรอกไม่ใช่แบบนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเ็ล่าไม่มีไม่มีก็หนูหนูหนูอ่านในในบทที่มันเป็นหนังสือค่ะมันจะมีเขียนว่ามันเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าที่เขาเรียกว่ามโนมยิทธิเจ้าค่ะมันต้องมีที่มาอยู่ในพระสูตรบทไหนแล้วไม่มีต้องไปหาอย่างนั้นเลยเหรอคะใช่เงี้ยย้อนรอยรู้มันมาจากที่ไหนมันต้องมีแหล่งที่อ้างอิงถึงได้ งั้นใครกเขียนได้ใครก็อ้างได้ว่าโอ้มีเรื่องนั้นเรื่องนี้เล่าให้ฟังกันแต่นั่งสมาธิแล้วเห็นสวรรค์ชั้นนูน้นเห็นสวรรค์ชั้นนีน้ใช่ค่ะพวกเขาจะเป็นเห็นสวรรค์ชั้นนู้นชั้น น, น, นี้ก็มโนไปทั้งนันน้นอ่บบนนกนนะก็มโนแต่แต่ ม, <laughs> มีนก็บอกแล้วมโนพระอาจารย์แต่มันรู้ว่าระจิตคนอื่นได้นะเห็นหวยเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งขเรื่องของเขามันคนละเรื่องกันแต่ว่ามัน มันดับทุกข์ไม่ได้มันมีตรงเนี้คะะ่ะก็ดีแล้วถ้าไม่ได้เราจะไปสนใจทําไมมันสงสัยเขามันแย้งมันมันเหมือนทําให้เราคิดว่าทุกทางนี้จะใ ช, ใช่ไหมแต่ว่ามันมันก็ทําให้เรายังมีความทุกข์อยู่อถ้าเป็นทุกข์เยอะก็อย่าไปเราไปหาหมอเพื่อให้หมอรักษาให้หายจากโรคภัยแค่เจ็บใช่ไหมแต่ถ้าหมอให้หวยนี่เป็นไง <laughs> มันก็ละเรื่องกันโอเคเจ้าค่ะมุสสศาสนามีไว้สอนให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์มันมันทำให้คนสับสนไงคะว่าสุดท้ายพระนิพพานคืออะไรกันแน่ก็ไม่ศึกษาจากพระไตรปิฎกมันก็สงสัยไปเรื่อยๆต้องอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะยต้องอย่างนั้นสิค่ ะ, ะ okay. กล่าวขอบพคุณค่ะเมียอเริ่มต้นศึกษาพุทธประวัติก่อนอศึกษาคำ ประวัติของพระเจ้าท่านเป็นอย่างไรมาอย่างไรทำไมตัดทะลุอะไรอย่างนี้พอรู้เรื่องพระเจ้าแล้วขั้นที่สองเขาศึกษาเขาทาคำคําสอนที่พระเจ้าทรงสอนไว้เอาแบบที่เขา้ารวมเล่นมาก็ได้แบบแบบที่รวบรวมมาคําสอนสําคัญสำคั ญ, คญต่างๆอะไรในธรรมบทน้องธรรมบทนี้จะมีคําสอนของพระเจ้าเยอะแยะเลยเรารู้จักคําสอนแล้วทีนี้ก็้าไปศึกษาประวัติของพระอรหันต์บ้างก็ได้ประวัติของพระโสดาพระ พระสาวรีบุตรพระโมคคัลลาท่านเป็นยังไงท่านทำไมถึงเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้อย่างไรแล้วมันจะได้เข้าใจภาพที่ที่ถูกต้องไปศึกษาเรื่องขี่มูลาที่หมาแห้งแล้วก็ม า, มาพูดท่านเสียเวลาเปล่าๆนะให้ศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งของเราเป็ น, นครูเป็นอาจารย์ของเราอย่างที่วันนี้แสดงไว้เนี่ยเข้าใจหรือยัง ไม่ใช่ไปฟังคนนั้นคนนี้มาเขามีไอ้นู่นไอ้นี่มาเขาดูเขาเห็นเลขเห็นเบอร์ก็ถือว่าเขาเก่งนะเขาอาจจะเก่งทั้งเลขทางเบอร์แต่เขาอาจจะไม่เก่งทางการดับความทุกข์ใ ช, ใช่ไหมถ้าต้องการนะถ้าต้องการเลขกับเบอร์ก็ไปไปเรียนขเขาถ้าจะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็เรียนจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าทรงสอนเพียงอย่างเดียวถึงแม้จะมีคําสอนเป็นเป็นหมืน่น คำสอนมีแปดหมื่นสี่พันธรรมขันธ์เนี่ยแต่คำสอนทั้งหมดนี้มีสอนอยู่เรื่องเดียวคือวิธีการดับทุกข์เหมือนกับรถของน้ําทะเลเนี่ยน้าทะเลกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนถ้ามีรถเดียวฮ่ะรสของความเข็มน่ะถ้าอยากจะเข้าหาพระพุทธศาสน า, ศ า, ศาต้องรู้ว่าเราเข้าหาเพื่ออะไรเข้าหาเพื่อดับความทุกข์เท่านั้นเองเราไม่ต้องการอะไรอย่างอื่นเพราะไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการหลุดพ้นจากความทุกข์ เข้าใจเลยนะฟังหูไม่หูพุณเจ้าการนมาสูตรเขาพูดอะไรเราต้องไปพิสูจน์ให้ได้กับว่าเขาเป็นจริงอย่างที่เขาพูดหรือไม่ก็มันพิสูจน์แล้ววันนี้มันมีแต่ว่ามันเป็นเหมืนขั้นสมาธิอ่าก็ก็มีแล้วก็แล้วไปยงก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดับทุกอย่างนี้ตรงนี้นะมันดับทุกไม่ได้เจ้าค่ะอ่าก็ดีแล้วก็ได้รู้แล้วจะแล้วเราจะทํายังไงล่ะ ก็เมาทางนี้ก่ออ่ามาทางนี้ก็จบโอเคนะต่อคำถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะมีท่านหนึ่งสอนว่าโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากจิตจิตไม่ปรุงแต่งก็ถึงนิพพานไม่ต้องมานั่งสมาธิก็ถึงนิพพานอก็ลองทําตามว่าดูเลยต้องพิสูจน์ไงพุทธเจ้าฟังอะไรมาแล้วต้องเอามาพิสูจน์ว่าจริงอย่างที่เขาพูดหรือไม่ ถ้ามาพิสูจน์แล้วไม่จริงจะได้ไม่ต้องเชื่อให้เสียเวลาถ้าพิสูจน์แล้วจริงก็ก็ดีเอได้ถึงนิพพานแบบนี้ก็จะได้ที่พระเจ้าสอนทำ ไ, ไมไม่เชื่อวะ <c oughs> อาพิจิพริสพระเจ้าสอนมันยากใช่ไหมนั้งสมาธินี่สิบห้านาทีก็จะแทบเป็นแทบตายแล้วอะไรไม่อยากจะเรียนสมาธิกันเนี่ยใช่ก็ถามมันยากมากความละมานะคะ คำถามจากทาง Facebook ค่ะต้องภาวนายาวนานเท่าไหร่จึงจะรู้ว่าถึงชาญนสีคะเดี๋ยวนี้ไม่รับไม่รู้ถึงความสบายเดี๋ยวนี้ไม่รับรู้ถึงความสบายและไม่ติดความสบายแล้วแต่บางทียังมีความคิดมาแทรกพุทโธค่ะก็ต้องนั่งต่อไปจนกว่ามันจะนิ่งไม่มีความคิดหลงเหลืออยู่เลยจะช้าจะเร็วนี้มันแล้วแต่กาลังของสติ บางคนสติดีนั่งห้านาทีก็เข้าฌานสีได้บางคนสติไม่ดีนั่งห้าชั่วโมงก็ยังเข้าไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่เวลาที่เรานั่งมันอยู่ที่สติที่เรามีถ้ามีสติมากมันก็เข้าได้ง่ายมีสติน้อยก็เข้าได้ายากถ้ายังเข้าไม่ได้ก็พยายามฝึกสติให้มากๆากฝึกได้ทั้งวันเนี่ยบริกรรมพุโทโธไปทั้งวันได้ทำไมไม่ทำกันคาถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ ความอยากนิพพานถือว่าเป็นตัณหาไหมครับไม่หรอกถือว่าเป็นมรรคเนี่ยเป็นธรรมะเพราะถ้าไม่อยากไปนิพพานก็จะไม่ไปปฏิบัติเวราเราต้องอยากก่อนแล้วถึงไปปฏิบัติตามสิ่งที่เราต้องการนั่นไงฉะนั้นความอยากมีทั้งความอยากที่เป็นกิเลสกับความอยากที่เป็นธรรมความอยากทําบุญความอยากรักษาศีลความอยากปฏิบัติธรรมความอยากไปนิพพานนี่เป็นธรรมไม่ใช่เป็นกิเลส ความอยากรวอยากมีแฟนเนี่ยเป็นกิเลสคำถามจากทาง u t ทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ ล, ลูกนั่งแล้วเขาสมาธิค่ะแล้วจิตเขาสอนธรรมะค่ะสอนว่าจิตในจิตนะคะมันมีไหมคะลูกต้องเชื่อเขาไหมคะอันนี้ใช่ตัวผู้รู้ไหมคะนั่งสมาธิไม่ต้องเห็นอะไรไม่ต้องมีอะไรให้นิ่งให้ว่างให้เย็นให้สงบ เห็นอะไรก็อย่าไปสนใจเพราะเราไม่รู้ว่าจริงเร้ไม่จริงแล้วก็ไม่ทำให้จิตเราสงบได้ใันั้นเวลานั่งสมาธิอย่างที่บอกว่าอย่าไปสนใจกับอะไรที่ปรากฏขึ้นมาให้อยู่กับกรรมฐานไปอย่างเดียวถ้าดูลมก็อยู่กับลมไปอย่างเดียวถ้าพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวเท่านั้นเองคำถามจากทาง u ูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะ คนที่เกษียณอายุเกินห0สิปีหรือสอวอแล้วถ้าจะไปบวชเหมาะสมไหมหรือจะไปเป็นภาระให้กับทางวัดไหมครับก็แล้วแต่พระอุป a า h a ท่านจะเป็นผู้พิจารณาดูว่าควรหรือไม่ควรเพราะคนอายุหกสนี้มีทั้งที่มีคุณภาพกับคนที่ไม่มีคุณภาพมไม่ได้อยู่ที่อายุเพียงอย่างเดียวคนที่อายุหกสมีคุณภาพมีคุณธรรมสูงก็มีคนที่อายุหกสีคุณคุณภาพต่าก็มี นั่ก็ต้องดูคุณภาพของคนไม่ได้อยู่ที่อายุเพียงอย่างเดียวถ้ามีคุณภาพสูงมีโอกาสบรรลุธรรมได้ท่านก็จะรับบวชได้แต่ถ้ามีคุณภาพต่ำเนี่ยท่านก็อาจจะไม่รับเป็นบวชให้เสียเวลาคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะชอบแชร์ธรรมของครูบาอาจารย์วัดป่ามากค่ะแต่บางทีก็มีคิดว่ามันจะเป็นกิเลสไหมความคิดมันตีกันอยู่ค่ะจะแชร์ดีไหมคะ ก็เป็นธรรมทานไงการแชร์ธรรมะก็มีการให้ธรรมะพระเจ้าก็บอกว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงดีกว่าให้เงินให้ทองเพราะเงินทองดับความทุกข์ไม่ได้แต่ธรรมะนี่ดับความทุกข์ได้คนกําลังทุกข์ใจพออ่านธรรมะขึ้นมาหายทุกข์เลยก็ก็ก็เกิดขึ้นได้ฉะนั้นแชร์ไปเถอะถ้าเป็นธรรมะนะแต่เป็นธรรมเมาแล้วนะคนยาวธรรมเาไปแชร์กันมากกว่าทําให้มัวเมากัน หลงมโนยทิหงอิตรปดิหานี่เป็นพวกทำเมาทั้ถามจากทางอินบค่ะถ้าหากวันหนึ่งมองเห็นว่ากายทำหน้าที่ของมันเองโดยที่เราไม่ได้สั่งเราได้แต่มองดูเมื่อเข้าใจแบบนี้แล้วควรต้องพิจารณาอะไรต่อคะก็ปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจบปล่อมันตาย่เไม่ต้องไปทุกกับมันอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเมื่อมันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ เราไปเปลี่ยนไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้ถ้าปล่อยให้มันเป็นไปเท่านั้นเองถ้าปล่อยได้เราก็ไม่ทุกข์กับมันถ้าไม่ปล่อยก็ทุกข์ถ้าไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายมันก็อยากทให้ใจทุกข์ทุกหนาหมดแล้วใช่ไหมโอเคเวลาก็หมดพอดีขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พิจิตรณาไปปฏิบัติ